เป็นเทศของท่านอาจารย์พระมหาบัวซึ่งลงแส ด, แดงณสารารงครัวเช่นเดียวกันในตอนเย็น18นของวันที่4พฤศจิกายน2518เป็นสิ่งที่ละเอียดนักกว้างขวาง ม, มาก อาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปลไปเท่าไหร่ไม่มีทิ้งติดหาไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำสีย อ, อย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปลถึงใจกันดีจะรู้ทำมากขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้น ที่ท่านแสดงว่าสีนี้ออกมาจากธรรมมันแค่สีทเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือสีนี้ก็เป็นขแขนงของธรรมธรรมจึง ป, ประจักษ์ขับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปแลได้เท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัย ไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ่งสุดการขย้ายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ่งสุดแล้วความ ส, าามมสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติผลลงได้เลยงานเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติทำเพื่อให้รู้ทำจะจับใจแล้วสหายาสงสัยโดยลําดับหนงเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือโดยความตามด้วยความจริงห่งทาง มากน้อยเชียงไงจะหายตรงสัยไปโดยลำดับลำเนาเมืม่อรู้ทมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งสี่พระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่ไม่มีใครสั่งสอนท อ, อง เรือนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสรกสรรในคำธรสมมุติตั้งเป็นใหมย่างนั้นตั้งเป็นมาอย่างนี้ีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุหคือการปฏิบัติและผลที่กระจัสผีปาในพระไทยมาสั่งวอนโลกผู้ที่มีความสนใจ อยากจะทราบความจริงแย่างรำอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนี้ยพอใจที่จะจะพิสปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมมันเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของเราความสคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบุบบุญไปได้เท่านั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสําคัญ การเรียนทำภายนอกกอเพื่อจะรู้ทำภายในการจดจํำทำภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายใน อ, อะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในมิทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้างเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในใจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใด เชื่อบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดยันธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจึงที่เกิดกับใจของตนส่วนมากเขาเป็นจิงถูกปฏิบัติจิงต้องมาสนใจ ที่ตัวเหตุสำคัญดังพระอัศกิแสดงจากภาษาดุริยเยธรรมมาเหตุปปหตุกัวะเจ้าตั้งเหตุจริงจะฆ่ากับ ต, ตัวเจาสังจะเยนิโรโุจะอีวันอดีห้าสมัยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลที่จะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไร อยู่ที่ไหนเหตก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัตจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีดุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็นขนะมนุษย์ดาวนี้ก็ขนาห ล, ลักชนิดจิตไม่สร้างที่เหลก็คงจะนอนอะไรประมาณนี้ นอกจาก น, นั่นเป็นเวลาทำงานของวัตจักอยู่ภายในใจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจับซึ่งผันจิตใจในร่างความลำบากลาบนโกบนอยู่ในวัตตะสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจตัวฝึกปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่ ะควร ส, ส่งเสริมคือสติปัญญาศัทธาความเพียรแก้เพืแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าิเวทจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่าิเวทซึ่งเป็นภัยต่อสารโลกทั้งสิ้นในาแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนหนึ่งเราตอนไม่ถูกที่คัน มันก็มาหายขันต้องก้าวให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือที่เล็กเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงตรงแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชิมาปฏิปทานนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้ทิเหล็กและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าที่เหล็กประเภทใด จะพ้นสายสายตาของมัตติมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัทนาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มพุงเป็นคุณสมบัติของมัตติมาฤเลสจะมีมากน้อยเท่างไรงก็ทอนอยู่ไม่ไน่าฤาษีจึงกลัวต้องแต่ทำคือมัตติมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามัหมายถึงเรื่องความเสียงดาย การเลี้ยธนาก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความรดอดร้อนให้แก่ตัวของเรานนั่นเองสรรมาทั้งกระโปรงสรมะที่ตีธรมาทั้งกระโปรงสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาแหลมขมธรรมาวาาิชาสรรมากรรมวิตรธรรมะเชียวนี่ก็ออกมาจากนั้น ออกมาจากสมาทิสตีสมาโงปูเป็นผู้ฉลาดในการเรยี่ยงทมาสัมมาสังกปุโยสัมมากรรมปุโรทําการงานทอบอาจจะทะ อ, อย่างยิ่งงานแก้ที่เหล็กเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติปุโรห์ของเราไม่ว่าครับไม่ว่าคารวาะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้ที่เหล็แ ล, ล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุด ธรรมากัมมันตตคืออะไรว่างานคชอกงานอความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนยิเหลสนั่นแหละเชื่องานชอกประเด็นอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทําไม่ขัดกับธรรมธรรมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่หมอัดเรื่องธรรม มีสัณณเลขาตถาสิประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่งนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งทับเที่ยวก็ชอบจะนั่งพัฒนสมาก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการตอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับ เป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรี้กว่าสมากำมันตกคือการงานชอบทรมมาวาจา ก, กา็กล่าวสนธนาการรคกันเรื่องการแก้ที่เหล็กธรมาชีวเดียงคิดชอบขอบรัมมันระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุ่นเป็นไายมาทำลายตัวเอง อั่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตไม่ชอบอารมณ์ทางธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สมายถ้ามีความรื่นรมแต่จิตใจจิตใจเพื่อเพลินประหลาดด้วยธรรมนี่ท่านาเรียกว่าเลี้ยงจิตขอบย่อนเข้ามานี่นะเราโยนนั่นนะถ้ามีโอปันัตยุโกย้นเข้าเข้ามาภายนอกขายายออกโอ้ก็ย่อนเข้ามาภายในขายายภ า, า, า ย, ายออนอก ให้ใ ไ, ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งลายทั้งดาบของมันทั้งข้างมันใ่าได้หมดมีดเลม่มในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถี่มีดเล่นั้นด้วยประการอะไรเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันธรรมาสติเคเลึกในงานที่เห็นว่าชอบ หลังที่กล่าวมาแล้วนี้สรมมาวายโมก็เพียนทอบเพียนละเพียนบำเพ็ญเนี่ยละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนคืออยู่ที่นี่อีกแหละธรมมาสมาธิความสงบที่ช อ, อบ ไม่ใ่สงบแล้วครัล่อยผิดกลุ่มเพื่อเหินไปตามนิมิตอะไรต่างๆเมองไปดูสวรรค์ข้างธมั่งนี้มงังไปดูนรกมั่งไปดูสวรรค์ั่งนรกอยูในหัวใจไม่ยอมดูมผิดมาทิพย์ผิ ด, ผดในลบถลงลลงึงนังงง้นถึงนี่ไปเทียบดูไปวาธภาพหลอกเองไปเรื่อยๆเลยดูไปดูสวรรค์นั้นทัานนี้ท่านพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มี <laughs> มันบ้าขนาดนั้นก ม, มสมาธินี้เดียว่าสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ชนน์สัมมาสมาธินั้นอยู่ถ้าสงบก็สงบอยู่ภายใ น, นใจได้รับความสงบเพราะความสงบนั้นไม่ใช่สงบจากสิ่งนี้แล้วก็ยุ่งเหยิงพุ่นวายกับสิ่งนั้นทั้งนั้นเช่นสงบสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมนาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบ กับอารมณ์นิมิตต่างๆขึ้นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกถึง น, นั่นถิ่ น, นี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่พอถ้าสงบตามหลักสมมาสมมาสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อขวนโดยลำดับกันเลยจงกระทั่งไม่มีอะไรก่อขวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิ องค์มาแปดนี้นี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการํำเนินเพื่อการแก้ที่เดชประเภทต่างๆทรานพุทธเจ้าพอดีสา ว, วกทั้งหลายพอดีท่านดำเนิอนอย่างนี้เห็นมันขยายเอาไปทางคารวาสก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ยุเพศของเราเราก็แยกออกไปจังเป็นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบกาันทํามาว่าชาวชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีทันเรียกมัดขินมาคือถ้ำคลองอยู่เสมอเหมาะยิ่งนั่นงอ่ะเหมาะสมอีู่ตลอดเยล่ะในยิ่ไม่หย่อนในการ ทำลายข้าสึกคือฮีเลตเหมาะสมพอดีพอดิบพอดีอดล้าทาเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาแล้วมีกําลังแล้วเข้าไปจุดจิช่วงเดียวมาธิจิตทั้งมาสังบโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวยอย่ทีนี่สมาสติเหมือนกันสติหรือรอบตัวอยู่ ไม่ไปที่ไ่นเขากิเลสมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะนับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออก ต, ตรวจตาทาทีควห ร, นวนรนห น, น, รงง น, นึ่งไม่ควรประการใดธรรมะกรรมานเป็นงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทําทงานนั่งก็นั่งทํา ง, ทงานแก้กิเลส ย, ยืนก็ยืนทํางาน นอนก็นอนทำงานจนกรทั่งหลับไปทำงานตัวแตกแขนยืดทำมาอาชีวะกับจิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเยาวกับอาหารที่ถูกกฎธาตุขันข้องเราไม่เป็นพิษเป็นพายต่อร่างกายรับท า, านนึงแล้วแม้จะเริ่มนับทานก็มีความสบาย รสอร่อยแล้วทานแก็ไม่เป็นไยัยมีความสุกกายกายก็เกี่ยวข้างกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อในอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรราไปหต่เรเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเหมอนล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลรระแล้วมีความชึ่งเย็นไปเรื่อยๆแล้วมีกำลังขึ้นกัฒนาในตัวเอง เพราะอำนาจแห่งการบัเวงผลเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามักรวมแล้วเรียกว่ามักคือทางดําเนินมักคะแต่ว่าทางปฏิปทาคือการดําเนินการเนินดําเนินด้วยตามที่ถูก ต่ดมทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏ ข, ขึ้นมาเป็นผลนะคำว่าีิเลสมันก็เป็นชื่ออันน่ะ อ น, นี้ก็เช่นเดียวกับธรรมธรรมะธรรมันแยกพรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้กันละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นึกก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเอง เราก็พิเรลดมันแยกกันไม่ออกเพราะว่าพิเรลดมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนพิเรลดเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดออะไรมาแตะต้องมานั่นมันจะมาโดนพิเรลดตโดนพิเรลดก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกเทําเข้าไปจับพิเรลดมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นพิเรลดก็รู้ว่าเป็นทำอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราไม่เข้ เป็นคนจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ามาเนิบสั่งสอนโลกไว้ด้วยโงคะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจัดแก่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกแห่งการปฏิบัติไปเรียกว่าคำนี้ท่าทายหรือ ป, ประกาศความจริงนี้ก็หลาเวลาก็ไม่มีอะไรริด ทวามจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหีตปฏิโกเหมือนงประกาศข่าทายรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ปรากฏอยู่ภายในติดในภาในตัวถ้าดูไปแล้วต้องเห็นนะเอหิตแล้วท่านต้องดูมีมันประกาศอย่างนี้ความโลภความปวดความหนุนความ โ, โ, โมโหโทโผมขึ้นอยู่ที่นี่ความดูความงามความเย่ความเย็นมันเกิดที่นี่ มาเกิดที่อื่นดูตรงนี้เดี๋ยวจะเรียกคนอื่นมาดูดมีปิิโกะสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะห า, า, าะว่ามากันนั่นมาดูที่ทำของกินของกินเขาจะว่าม้าคระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทําไมเรียกเขามาดู <S <S <S ของกินของกินมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้หไหมถ้าไม่ดูของกินที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเอง ด้วยทัิปัญญาศัทธาความเชี่อนี้ฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงอันนั้นเรียกว่าเอหิปัิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางตายหู้ายตาหมุเริ้นกายใจน้อมเข้ามาสู่ใจกเหนดที่เกิมาเทียบเพียงกัน้ให้ได้สัตว์โดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยางกันได้โดยน่า ผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกเพราะเขาเมตตาจริงๆเราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว่าตามคำภีใบลานมอบไปไว่าตามวัดตามวาตามพระตามโน่น ต, ตามครูวายการตามนักป่าทั้งหลายเพี้ยเรายอมอยู่ให้เฉยให้เปผม้มีส่วนเกี่ยวข้อง ธรรมนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่จิดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั่นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองไม่มีอะไรเป็นของสาคัญแต่อยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในกำพรีก็คือธรรมสอนมหาเรา อยูวว่ที่ไหนเราเรามุ่งต่ออาจต่อทำเพื่อความสริงความเป็นจริงนะจะยู่ที่ไหนประกามที่ว่าความจรินเนี้ย น, น้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตมแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทําให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันอา้ที่ไหน น, นั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนานศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดกัน ชื่อที่จะจะผ่าตัดศาสนามันคบ้านเอมันมรู้ตัดศาสนาไปเดยผ่าตัดศาสน า, าเคยให้เป็นโทษเปนภัยแก่ผู้ใดกวความลึงยากให้แก่ผู้ใดทีนี้ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโกกรคอะไรหมอเขาจะผ่าตัดเนาจะรู้ตัวกาพาตีดูเรียบร้อยทุกกิ่นทุกอย่างเห็นต้องตรวจน เขผ่าจะตัดตัดขที่ใ น, นออกตัดส่วในใดหมอทั้งหมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัด น, นั้นถ้าโรคไม่ผุดผีใส่สก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอํานาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่ถผุดผีใส่ผ่ า, าตัดไม่ผ่าตัดน้องก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแะหละความเป็นน้ําใจเ่วยดระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่ขอคนไข้ทราก่ขอนคนไข้ ไม่ตรวจลงไปหมอผูผ่าตัดไมาทำแบบนี้ไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดตัดกรน่มันเป็นหมอหรือเป็นตะรอาหรือเป็นหมาไปแล้วอยนี้อูพอเย็นน้อยเราไม่เย็นมากอืมาไม่ยังไม่ทําลายตับระนาไม่ผ่าตัดกรนาทําไมมนุษย์ต้อาผ่าตัดกระหนาำเป็นอะไรกระหนาเป็นอะยรก็ต้องผ่าตัดอืความร้อนความบุ่บใบ อยู่ภายใ น, ใ น, ใ น, ในใ จ, จิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นค่าสุดธรรมนั้นฐาดตนี้ที่ถึงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสึกแต่สมวนรวมจริงๆก็พาตัดกรงที่มเป็นค่าสึกต่ อ, อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนนั้นินั่นจะเป็นการที่ผานตัดถูกต้องดุจตัวรโรคจะถูกสมุฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันว่วิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผาตัดกันว่วิธีใหนนะ รูอย่ก็จะไปผาตัดสปัญหามไม่นานสปัญหาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดอยวผาตัดสปัญหาที่เด็เกเป็นตัวอวามยังสามยี่งปวทุนักนันจะก้าสามารถปวดรูปวฉาจะาตัดสัญห า, า, ญหาอะไรบอืงนันไม่เร็วกับสาสัตไปแล้วเหรอมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนการเรืเ่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องมาคิด านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนทีน่มีพวกเราเยื่ยนเข้ามาฮารตัวองเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดโฆษณาโฆษณาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เลดุสเดอไม่ใช่ว่าผ่าตัดโฆษณาโอ้ฝั ง, งทุกคนผ่าตัดที่เลดุสเลดุลนั้นแหละมันเป็นภายต่อติตกันของเราความโลภความโกรธความห ล, ลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิดกันซึ่งาภายในามื่อเลดุแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้น กำลังนี้ออกเราจะได้สบายโลกเหล่านี้ไม่มาแทรกแทรกไม่มาย่ำดีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าสันตุมผ่าตัดแล้วได้มัชฌิมาปฏิปทาสาวทั้งหลายก็ได้ข่าตัดที่เล็กตัวหล่นี้ประเทศต่างๆทารายจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโลกไทยที่เกิดจากที่เล็กทั้งหลายและพ้นจากโรกสงสารคือความมิยัยง โดยนม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลโดยตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดที่เหล็ทั้งเราผ่าตัดที่เท่าไรให้พยายามกันมันเะ็นโรคยืดหลังมานอนหลายภคละหลายภหละการหลายกลับหลายกัารสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูธรมมะพุทธฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรม โรคของเราจะได้หายโรคใจนี้จะโรคสําคัญโรคกายนี้เป็นธรรมดานธรรมดานแต่โรคใจนี้มันไม่ใช่ธรรมดานแะล้วมันรุนแรงมากเกลียดใจลลนะตลอดเวลาถ้าทำให้ยางผ่าตัดนี้ได้หายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นจิตเอาละการแสดงธรรมเรียนตรงนี้ ใช่ใช่ไม่ถันว่านี่ทรมารยิเลศมันราตัดตนทรมารยิเลศนเลงไงตลมารยิเลศยิเลศไม่ทรมารย์เราบ้างหรอมันก็เอาบ้างตลามันเอาบ้างมันเอาบ้างแล้วมันเอาจนขี้แตกหนาเนี่ยเอาคนนาหนาเอาขนาดนี้เราจะมาตอนบ่ายวันนี้นะไอยิเลศทรมาณเราแล้วมันเอา็นขี้แตก ให้เราทํารมานเขานิดหน่อยแล้วออกข้ามนยังไงแต่นี้ <laughs> <laughs> แต่ว่านี่ยังมีนะวากันบ่ายแล้วาแต่เฮ้ยๆหลอกว่าเราอยู่ภายในเราเอาอยากขบคันมีหลายแง่เนี่ยที่สิบคู่ทั้งเขาพูดค้างทั้งหลายดูยไม่ได้หมายถึงน่าจะพูดเรื่องนิยมเยือนน่าจะยกอันนี้เป็นเหตุถ้าที่เนี้ยถ้าอะไรอยู่ด้วยกันนั้นเราได้ฟังหมดเรื่องขบคันไปด้วยกั น, นหมดวันนี้เอาเอ่ายอดย้อนไหลตลบครบทวนเนี่ย เรกพขันขันนั่นแหละออกจากนั้นเนี่ยอาไปที่จน่าอีกท่าาลวันที่เหลแล้ววันร่นี้ท่จะดอะไรท่านะตละวันที่เหลืยังไงม่ทราบตอนวันพรุ่งนี้ท่านสดนี้แล้วมันก็ไปบนอีกเราคิดเลยต้องยาวันใช่ไคิดปหวดนันแหละเวลาม่ได้ดแล้วมันตางมันเองขอนั้นวัสรุปความที่วนี้พวกที่เหลยอเหยียบ เราเป็นขี้แตะมันเหยียกตรงนี้ด้วยมันเหยียดตรนี้ด้วยถ้ามีเขย่อได้่ะเขามีจะมีองค์เยานี่แหละเราก็่างนั้นเราทาตานี้ถ้ามีมีองคเยนี้พอตลอดวันยุเนอนั่งเหมือนใครก็แด้อองมานี่นะเราทำตานี้ด้วยนะก็มีอง์นี้ดิวพอสมควรเราพูดอ่างนั้นมีองค์นี้ที่อกว์พอสมควนบ้างในวันนี้ทั้งหมดเราก็่างนั้น น่ากวัวรูปปีดมีตรนี้บ้างที่เห็นเราพอสมวนเพราะท่านตำลมที่เหล็กเอรก็ว่างัึ้นเลยตรงนั้นมีตะกบที่เหล็ดเยียบมันเลยรมามมันเยียบโอเยอะขี้แต่โยลาตัวไงขบขันทานอาด้รเหนืออะไรกันแน่ ขำดีเราเวลาเราพูดอะไรต่างๆท่านมันจะเฉยโอ้โหท่านเอาการดูหน้าตามงกัน่ากงการอยเหมือนกันน่เอออย่างนี้กูยังมากน่าก็ยิ้มนิดนึงเพราะนั้นท่านพูดดีคงไปงมาดีมากนะเ ขามีหลายเงิ่นที่ตงตั้งมาตั้งมาอยู่นี้เห็นไมอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้อุดมพระลอดนักในระยะนี้ประชุมก็ไม่นาเพราะวันหนึ่งนีรัชเทพประชุมท่านนั่าอยู่น้อห่าท่านหูหัวงี้เทพก็ไม่ได้ยินในวันหนึ่งจะเข้ามาคววนเี่ันปุ๊บป๊อปมาอะไรเนี่ย ผมขอโอกาสท่านอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเดียวผมรู้สึกจะอาภัพว่าไงมันอาภาพอะไรว่าดีป่หัวหมวกแม้แต่เทศไม่ได้ยินเลก็ท่านตาภัพท่านทำไมต้อปฏิบัติตามเรื่องอาภัพเหรอก็มาแม่มาฟังใกล้ๆหรอวะนั่นสิวอีกบกันกงนั่นสิตาอะไรท่านมาฟังใกล้าหน้าท่านหูวหมวกนะแตมันอาภัพง่ายก็แค่สรภาพมันพอแก้ได้นี่นะอาภัพอย่างนี้นะระหว่างนั้นนะ ไปานก็พักกลับไปตอนที่เข้ามาเนี่ยที่นี่พอวันประชุมมาหลังภูพักใจสมังไหนใจผมนั่งอยู่ไหน่ะนั่งที่นี่แหละราว่านั่งทานกจาเนี่ยนั่งอยู่นี่เลยพอเะใจจบเราเต็งไงได้ยินได้ยินท่านไหมออกรับวันนี้ทักประมาณนั้นเข้าใจไปทุกันทุกบ่ายหน้า พอเข้าใจว่างั้นนะท่นก็พูดดีตอนพอเข้าใจนะก็แสดงเขาไม่ทุบทุบตุบะว่างั้นพอเข้าใจมันก็รับกันได้นะแต่ว่าองค์นี้พูดนั้นเราเอาแน่มม่ได้เหมืถ้าไปดูอื่นพูดมันก็จะได้ความคัดเหมือนกันว่าพอเข้าใจนะแต่องค์นี้พูดคําว่าพอเข้าใจเจ้าดอกไม้ผมว่าแปลไหนเราก็แปลไม่ได้อีกเหมือนกันคือแปลไม่ถนัดว่างั้นเดินนะน่าดูอยู่ฝั่งเป็นครูใช้คงไปคงมา าขายมันสำคัญติดกันอย่มากท่านอาจารย์มั่นเนี่ยท่านปฏิบัติต่อตนได้ทุกทุกทุกขั้นนะ ท, นนที่ท่านท่านพูดกับพระองค์ที่องค์ที่เซร์ที่สุดนั้นนะท่านจะพูดแบบเซร์ที่สุดนั้นกนนันถ้าผมท่านจารมั่นคือเวลาเร า, เร า, เราฟังมันเราฟังนะฮะพูดกับพระองค์ที่เซอร์ที่สุด ชื่อที่สุดคือชื่อที่สุดเชิ่อที่สุดท่านได้พูมแบบชื้อและเชอร์ที่สุดเหมือนกันอื่เ้ากรมเล่นได้ทุกอย่างให้งานเล่นได้ตะกคนทุกทุกชั้งของจิตใจนิสัยวันหนึ่งก็มีโยมหนึ่งน้าน้าเป็นทางด้านตรงตกว่าตอนช้าตอนดึนากผ่านนี่กับคนชื่อเหมือนกันคนนี้ดี มันโคบอะไอเรื่องของป้อนสมองท่านไม่เคยสนใจอะแต่ท่านบอกคงจะพูดมีความหมายอะไอาจจะเป็นการทดลองทดลองดูเขาก็ได้นะพ้าท่านจะพูดก็จะชื่อกขาชื่อมีคิดนี้ประมาณคือคนเคยบวชเป็นพระแล้วจึกแต่เขาเรียกคิดนะคิดนีวะครับประมาณหน้าอยู่ น่นละมันมีข้าหมอมางไว้ล่ะอ่าัโอ้ ม, ม, อมอีไม่อกข้าหมอไม่กินไปไหมละ่ะอย่งนโหนึ่นนเขากินกันทงโลกแลยครับบอเขากินกันทั้งโลกเลยเท่านั้นแหละแล้ไปอกไปไม่เกิดย่ในเรองทู่อัไไนานเขายอมเขายืา่องวิสใหญ่เอาไปทมาส่้าคขึ ไม่ว่ายังไม่ผ่ายที่เราคอยููว่าคลิปเมเนี่ยแต่จเามาเมอกมาขายาอยู่นะถ้าเปเงาจะเอามาจะจะคลิปเม่ของเราเนี่ยเขาก็ไม่ถึงแจ่ะไม่มีไม่มีแค่วัมาเลยถ้าจะวาวันของวาย้างข้านี้ทั้งเช้าอีกไหว่าก็หมอมีอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่างานย่าตั้งย่าาอย่านั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้จุนึใช่หมโอ้นัเอม่นั ล้วมันมีนมลูกก้นไหอ่ะมันไม่ลูกต้อนนี่นะเพาน่านี้ไม่อหลังเงี้ยเาะภาษาเนี้ยต่อที่เาอืมตอนมาท่านจมาสู้เรื่องยังท่านันมาหน่ะที่ท่านเรืยองคนเจริญ我也明白了่านอัรรย์แล้วเขารื่งอัศย์พิจารณาอนเี่ขท่านเราโอเราไม่กล้าหลังนั้นถึงนะ แล้ว้าอาจะเยีมเอง น, นจะมันนะข้าไปหลายวันกันประมาณ็คือห้าวันเท่านั้นไอ้สมอนี่น่ะไอ้ตัวนั้นเปออออี้ยวมีไหมนั่นน่ะท่านหลายครั้งนั้นนะฮึมจนเปรี้ยวจนมันจนมันฝาดๆกลมๆไม่ดีอ่ะน่ะท่านท่าขยายมานนะ ไอนตนี้เที่ยวเที่ยวันนี่ดีมีแ ม, ม่โออมีแม่อดไม่สามวันไม่อดเที่ยวไหนเนี่ยไม่แต่คือตอนนี่ขยายมากนะใช่ไหครับนักราณวถุคนเรานะออไอตอนี้เที่ยวไม่ฉันดีๆน่ะมีแม่มีไม่อดมีจะแม่อดอยูอ่เรื่อยเรื่ไม่เลิกสนาวัน นี่ต้องมาเทสสเทสธรรมดาเนี่ยแะเท่ไปที่มาไปสัมผัสทป็เรื่องเนี่ยเรื่องคนคือคนเซอร์ท่นก็เลยย้เรื่องเนี่ยกู้เรื่องการที่ทำนี้มานี่เรี่อี่ทนี้ เราก็ทนลองนึงสามผมมันไม่ได้รู้เรื่องคนของข้ารอเสียมไปขุดน่ะมันถึงจะรู้เรื่องมานั่นในว่างที่รันบุนอ่ะถ้าเสียมไม่ขุดลงนี้ตอบไม่ใส่ลงไปนี้มันคงไม่รู้อมันคงไม่ตื่น่งางั่น่ะน่ะคือเนี่ยคนที่มันหํามันหายอย่างนี้เนี่ยรางน่ะท่านมีเหตุผลท่านเนี่ยเพระเภทนี้ประเภทเก่าประเภ เ, เสียม่งางนั่นนะธรรมดาไม่เรื่อง ของปู่ทั้งสามเาก็ได้ฟังทุกวันเ่ยเฮ้ยของท่านการเย็นๆนถามไปถามาน้ำซีตรงกบวันนี้ตก็เลยไม่ไม่เคยหมอมาอ่างเงี้ยไม่เคยจะเาให้หมอมาเลยยิงหายอย่างเี้ยแตไมอดทั้งนั้นค่างค่างค่างที่สามคงที่ ชักสิทธ์นะสำหรับคนโง่ก็ชัรอาจารย์พาจาร่ามันนะอือนี่เป็อย่างว่านะพมันไม่ใช่คนโง่ทําไม่โง่พถ้าไม่รพทยเสียงยเก่าแล้วมันก็ไม่ถึงอย่างว่านะจารย่าพทย่าแพวเสียงต้องขดลงท่งานน ะ, ะ่ะือความจริเยี่ยมนี้ใช้ท่านใช้ไม่โตามไม่ทันนะไม่ใชนะ้ท่าน กย่ยวกับบุคคลนี้เป็นนาราล า, ลาเลยไม่ห้าวะ่ะคนนั้นเป็นยังงนี้จะต้องเป็นไปแต่มันแต่มันแตนมันไม่มีทั้งกันล่ะท่านจะมาปฏิบัติกับคน <S <S คิดว่าโยโว่ทำสลาดแล้วผมก็บูกวนี่พอดนีน้องสาวมายืมด้น้องสาวล่าน้องสาวติดท้องด้วยคือติดท้องทงั้งหญิง้งชายคนนี้เป็นคนติดท้องมานันถึอนะ่ะทีามาเยยบได้ังไง พอมาที oh, ่สนามถามเรื่องอะไรทราบเรื่องราวแล้วคนมาเยี่ยมพูดภเอนน้องสาวือน้องสาวมาเยี่ยมมาจอวันลว่างั้นคงีวันงนั้นมันตามมาแล้วแหละยังเหลือคนเบองวันลว่างั้นีนันอนี่ธรรมดาตงราเราอย่างนั้น เวาไปเราก็จะค่อยฟังวันนี้ท่านจะปฏิบัติไงกับน้องสาวท่านเพราเรามันดื้อย่างนั้นแหละโอ้เวลาเราคุยกับคุยกับน้องสาวท่านนะเป็นแบบพี่กับน้องล้วนๆเลยนะคุณหญิงเหมือนในโควเรือนเลยนะแต่ละคน่ะเหมือนพวกกันอยู่ในโควเรือนเหมือนกับท่านก็ไม่ชัดชักนะเหมือนกับพี่กับน้องจริงๆอยู่คุยกันในโควเรือนอย่างนั้นน่ะอย่างนี้เะคุยกันสนุกกว่าเลยนะนานขนาด ที่พอน้องสากว่าคพักหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหนแปลกล้วเนะอาจารย์วันเนี่ยอาจารย์ตรงนี้เวลาคู่กับน้องนี่โอ้โหคำพูดหมายก็ว่าที่ว่าพูดแบบคาราะไม่ได้หมายถึงว่ายานะคือกิริยาชกิรยาเหมือนคาวะเหมือนพี่กับน้องจริงๆอยู่ในคเรือนกันว่างั้นคเรนดียวกันคุยกัอยู่ในโครียนธรมนาธรรมาธรรกิริยานี่เปกิริยาที่กับน้องที่ไม่เคยบวชเลย านนี่นะสมาัตมืออนี่ต้งต่เตาเยอะด้านเนี่ยนี่พอน้องสาวเขาไปแล้วหายล้ไม่เอะึ่งจะตากดว่าขนาดเดียวเท่านั้นที่น้องสาวไปเยี่ยงจี้ยาเขาจี้ที่ใช้ความในพเรีน้องท่านเนี่ยเราคุณสมน้องทเป็นนี่แต่ก่อนเขาเคยปฏิบัตินี้กับน้องะี้นี้น้ใช้ียามาใช้เพื่อมันเหมสกับน้องนี่ดี๋ยวไม่งั้นน้องจะคิดอะไรต่ออะไรนี่เพราะนั้นต้องเอาจีอยามาใช้เพื่อให้มัน เหมาะสกับน้องด้วยน้องมีความอบอุ่นมากอะไรอะไรทำนองนั้นน่ะเห็นว่าท่านฉลากที่นเหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีกี่องค์พูดแต่ไม่เหมือนกันองค์นีเป็นทั้งที่อยู่กับท่านมันเป็นประดามอุานจะยื้อยาจะอาการนั้นการแสดงออกต่อองค์นั้นนั้นไม่เหมือนกัน คือกูอาจารย์รหาท่านเหมือนกันเี็กครูอาจารย์แต่หาท่านอยู่ก็มายความผูู้อาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นผู้ใหญ่ทู้อย่ทีเป็นท่านการท่านอ่านี้ท่า น, านขาวหรือใครอันนี้เป็นต้นอ่างนั้นอผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้นไปจะเป็นผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ผมนี้ไปจะเป็นอย่างนี้เรื่อยมไม่ซ้อไม่มีใครที่จะสามารถารับขายข้อทั้งท่าได้ แต่ก็เป็นจำมากร่างแ่ก่อนไม่มีเทปสนุกมากกว่าตอนไม่มีแทปเยองเหยียดอะหาวบามาเยี่ยกันไหมแต่ความจริงจะหาอะไรไปถวายท่านอันนี้ให้ลึกรับทายใ น, นทีอการมาปกติกันารย์มีสายเงินมีความรักทเานเมื่ออะไรถูกคาสถูกผ่านท่านเรารุ่งรุ่หมดรามาเราก็ อยากให้โยมหาเอาของที่เราต้องการให้ทำนั้นทำนั้นทำนันให้เราไปเวลาจะไปให้ยมแม่ปอหรือก็ป่องหาหามะข า, ามมะขามขูบแล้วปอกเอาเม็ดมันออกด้วยออกเอาแต่เนืน้นอๆไปเราก็ต้องหวนไว้ขวายทันโดูเฉพาะดยเฉพาะกับน้ําตาลอะไรเรืเร่อยทุกวันทุกวนัวนให้ใครไปแกะกล้องน่ะยิ่งเป็นของแม่เราด้วยแล้วโอ้โหมันดิ่งหงวคนเราเวเรนั้นแหละ มันเข้าตัวเรื่องเหมือนเลยอืมเร <c oughs> าให้เาดูการเนี่ยไม่หรอกตอนนั้นมันพามันหายอย่างเนี่ยพราะาได้บ้านเนี่ยในบ้านที่เราคอเองเนี่ยห็นแม่ขอเป็นพระขาวเนื้อครบฝากปถั่วท่านการเอานี่าธนาที่เราจะไปฝากท่านหน่อยเราอขอฝังนี่ไปถวท่านการ่าง น, น, น แต่ทําก็แล้วแต่จม่าจะทุ่มจะเท้าอพอใจทั้งนั้นขอได้ถวาท่านก็แล้วกันเออกไปพระตก็ปราเรียนท่านจตุคุาเพราะผ่ารนี้จะมแม่สั่งมาถวายท่านการแล้วท่านการจะใช่ไงเมตตาจุยมแม่แล้วยแม่เนมูแม่เป็นที่พอใจจะเป็นผ่านจะทุ่จะเท้าอะไรพอใจทั้งนั้นขอท่านการเมตตาพอแล้วมาเอาผ้า นยมแม่ทำหาเห้นนะตัดที่นอแต่ทาเป็นที่นอนพราะเขาดูท่า่าที่ไปนั้นพอดีขึ่นอนพอทำานเขาโอ้เราก็อยาจะขหอโองฟ้มาม่มีสิกจจ่ก็อยจะเหาะนั่นเราก็ดีลูกยมแม่อยู่อ่อะโอ้าเรียนคบอะนะเปลี่วว่าข้าวหนึ่งทันทีทันได เ, เลยกรากว่าก็าทำดัดแต่นั้งเป็นที่นอนให้ท่าน ท่างกานอนนั้นจนกระทั่งท่านมรณภาพวันมรณะภาพก็มรณะภาพกันนั้นเลยคือเอาไปด้วยนี่ท่านไปโน้มเอาไปด้วยเราเขาเราผ่านนั่นนี่ว่าไงมันมีมันนียาอยู่ในร้านห่าอะไรตัวอะไรก็เรียกว่ตัวองทั้งท่านมรณภาพก็นอนอยู่กนั่นเลยมรณภาพที่กุงนั้นอ่สุดท้ายแต่เวลามาเจอจรงอ อันนี้มันพูดไปถึงหมาเลยนะก็เลยมีใครจะไปอาดเดิมอะที่นอนท่านอะต้องไอแหวมที่ที่หมาอแหวมไปหมาตรงนั้นมันมันลูกอะไรเ้าเดียวมันภาษานี่ยเขาเรียกลูกทอดมันพันพันทางพันทางเลยนะมันหนาล้างมากมันฉลาดด้วยเวลาอาจารย์พักกุฏิท่านอา่ารนั่นเนี่ยเขาเคยมานอนเศ้าพอพอหกวงเย็นเขาจะมาทุกวันมานอนบันได ที the ่รางเท้าหนึ่งมันนอนยันใดมันตลอดพอพอสว่างแล้วก็หนีทุกวันทุวันมันกําำลังหน้ารักมันพ้องรอบปีนแค่ปีนทะลุทุกวันหนึ่งพอนฝนมันจะปล่อยมานิดหน่อยเขาล็อกอืออื้ออืีออื้ออื้่นื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออม้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้อ้นมานออื้ออื้ออื้อ้นมา้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออื้ออี้ออื้ออื้ออื้นอื้อ้ มั น, นที่นมกอนี่ีนีคืนอนขึ้นมาเนี่เป็นมันจะตัวมุกอย่างเนี้ยูงหเป็นจตัวมุกันไดขึ้นมาเนี่นะมันนอนแล้วผมันก็มาตกถุกพอกลังพอหงมเนเขาขึ้นมานอนทุกวันนอนง น, นั้น่เขาคงจะคิดยังไงไม่ทรตอนพอเราลงไปเพราะหนึ่งพอเราลงไปหานาจมาเราสูกพอขึ้นมนันก็ เขาก็ล <S iser Zum voi> ุกจากนี้ตอนกลางวันเขาเขาขึ้นมานอนนตอนกางวันพอเขาได้ที Ren ่นี้เด็กกลับมาเขาก็มานอนออที่นั่นเขาจะนอนเพราะตอนกลาคืนนะไอ้ไอ้ที่ร่างเท้าน่ะถึงหกโมงเย็นแล้วเขามานอนพอหกโมงเช้าเขาก็ออกึ่งพอให้เราให้เขาขึ้นมานอนที่นี่แล้วทุกวันเขาต้องมานอนที่นี่ทุกคืนนะถ้าเราทุกคืนเวลาที่แยกกลับมาเขาขึ้นมานอนเวลาเขาจะแบบว่าพักมาพักตรงนั้นเนี่ะให้นเขนต่อมานี่ยว่างๆเราก็ มึงนอนทำสมายอยู่นี่นาแหวมกูไปนี่ก่อนกูไปก็กำบังดูแล้วก็ลุงก็คุยกับท่านจามาต้องปลุกต้องมาที่ไหนได้ที่นั่งเรามีมีอาสนะมีอะไรเนี่ยคขาขึ้นไปนั่งมจะนอนดูดอาสนะโถแหวมทำไท่านถุนั่งก็กโดดลงเราก็ทำไมก็ําไมว่าะไรตะวัแหวนตะวันแหวนแหนถุงนั่งวันนี้เขาก็พูดว่าเขารูกผีเหมือนกันที่นี พอเห็นเราไปทาไมแหวมมันแข็งถุงรางวัลนี้ฟุ๊กมาเลยมาที่นั่นอ่งเราว่าอะไรเขาก็คงคงไมผิดคงว่างนั่นน่ะนะถ้าเป็นไทยนี่คงม่ผิดว่านะไทยฟังมดีนะให้วนน้ำอีกแล้วกไปหาใจมาหาุดแตนี้ประตูเราให้ปิดเราองะไรองอะห้อง เขาเแวเลื้อปั๊บวามร้คว้าคม้นบนของท่านนมันเราอาจาย์ท่านจทรมั่นเลยแ้มองเห็นตาตาสแก่เลยแว่นไร่ง้เราปออกมาคว้ดอดหางดึงไว้ถึงแล้วฝมือใสจะตุ๊ึงงได้เป็นี้ยแวนดดมเยตอหลังมาอีีอยู่เง้ตกอี๋อตามเถอวันนี้ไม่เอาม่เารื่องวันนี้เาก็ไม่นอนต้ถิ่น่ะคือใต้ถึงนไม่ใช้ิ่ป้ถิน เลยบนได้เขามาไม่นอนเวลาฝนตงนะ้างมันแล้นเราเราไม่ไม่เขาขึ้นเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นขืข่ขู่านหลังเรากลัวเขาตกตายไม่ใชหรือนรับผมหมูนม่ะแยมกรณีปู๊บปุ๊บุทิท้าก็คือแยมที่นอนท่านจันมั่นน่ะมีแยมนี่นทะลกทิศ้ายให้ห <c oughs> ้องนีนะ มือสองมันหาไม่ออกเเพราะมันม่เก่าแล้วนี่เพามันสนต่มใจนเดือดนก่ยข้ามมาเ้ามันก็หลายทีอ่ะท่ามนคงจะขาดถ้าเราทลองเมตตาจริงๆผู้ที่ลงทันเมตตาของเนี่ะ